บทสวดเมื่อกี้นี้ประโยชน์สั้นแต่ว่าน่าคิดการสลัดของหนักทิ้งลงเสียเป็นความสุขในทางพุทธศาสนานี่ความสุขมันเกิดจากการที่สลัดหรือทิ้งลงอันนี้มันตรงข้ามกับทางโลกทางโลก เชื่อว่าความสุขเกิ ด, ดขึ้นได้จากการมีการมีการได้เพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามแสวงหาแล้วก็ตักตวงเอามากมาทางโลกเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นสแสวงหาเงินทองสแสวงหาทรัพย์สมบัติ แสวงหาชื่อเสียงเกียรติยศอำนาจบริษัทบริวารแล้วก็เชื่อว่าการมีการมีมากๆการได้มากๆนั้นะเป็นความสุขเพราะฉะนั้นก็เลยต้องแสวงหาต้องเอาเข้าตัวเยอะๆแต่พุทธศาสนานะมองตรงข้ามบอกว่าเนี่ยการสลัด ออกไปการทิ้งไปเป็นความสุขเพราะว่าไอ้ที่มีที่เอานั่นเนี่ยมันเป็นของหนักทั้งนั้นนะยิ่งมียิ่งได้ยิ่งยิ่งเอามาสลันก็หนักนะต้องวางต้องสลัดนะถึงจะมีความสุขนะที่เรามาบวชหรือปฏิบัติก็เพื่อมาศึกษา ให้รู้วิธีที่จะวางที่จะทิ้งที่จะปล่อยนะมาศึกษาเรื่องนี้ให้เรื่องการวางการทิ้งการปล่อยนี่มันต้องอาศัยการศึกษาในเรื่องการการเอาใ ห, ให้ได้เยอะหรือว่าการมี การตักตวงนี่ที่จริงไม่ต้องศึกษาเข้าโรงเรียนหรือว่าเข้ามหาวทยาลัยเลยก็ได้ไม่จำเป็นต้องเรียนเสียเวลาเรียนมากๆเลยก็ได้เพราะว่าสัมแชร่ยาสคนเราเนี่ยมันมันก็พร้อมที่จะ ศึกษาเรียนรู้ได้ตัวเองเพื่อที่จะมีเพื่อที่จะได้เอาเยอะๆอยู่แล้วเราลองดูอย่างสัตว์เนียนะสัตว์นี่มันก็ไม่ได้เรียนหนังสืออะไรแต่มันก็มีความสามารถในการที่จะจะเรียนรู้เพื่อที่จะเอาเพื่อที่จะมีให้มากๆมันเรียนรู้ได้เองเพราะว่ามันจําเป็นต้อง ทำเพื่อความอยู่รอดแล้วความอยู่รอดทางกายอยู่รอดได้ก็ต้องมีต้องเอาเข้าตัวเยอะๆเน้นความอยู่รอดก็จะบีบคั้นให้ต้องต้องเรียนต้องศึกษาหรือเรียนรู้เพื่อที่จะมีมา ก, มาก น่ามาเรียนรู้เองนะอย่างหนูเนี่ยมันฉลาดมากเลยในการที่จะดินน้นรนที่จะหาอาหารหรือว่าสะสมสมัยช่วงที่เคยอยู่กุฏิสามเนี่ยมีปัญหาก็คือว่าหนูเนี่ยชอบชอบแทะชอบขโมย สบู่สบู่นี่เป็นเป็นอาหารที่หนูชอบมากมันจะคาบไปแล้วก็ไปไปไปแท่ไปกินเพราะมันมีไขมันในช่วงหน้าแรงไม่มีอะไรกินก็เอาสบู่นี่แหละแต่ก่อนก็วางไว้เฉยๆมันก็มาแท้เอามาคาบออกไปตอนหลังก็ เราก็ฉลาดหน่อยเราก็เอาขันครอบไว้ก็ไม่ได้ผลนะขันพลาสติกครอบก็ไม่ได้ผลเปลี่ยนเป็นขันสเตลเลตครอบสบู่ไว้มันก็เอาจนได้ตอนหลังทํางานก็เอามาวางไว้ในเอาสบู่วางไว้ในในคุกแล้วก็เอาถัง เอาขันครอบมันก็ขึ้นคู่ได้แล้วก็ไม่รู้ทำยงไงเปิดขันเอาเอาสบู่ไปได้ตอนหลังเราฉลาดขึ้นแล้วก็เอาเอาคู่เนี่ยผูกไว้ผูกไว้กับเชือกหรือลาวที่เอาไว้ตากผ้าเวลาเปลี่ยนผ้าผัดผ้ามันก็มีเชือกเอาไว้แขวน เราก็เอาคุนี่แหละผูกไว้ตรงกลางเชือกนะแล้วก็เอาสบู่วางลงไปคิดว่ามันเอาไปไม่ได้มันก็ตตยนะตตยเชือกสเส้เล็กๆนี่นละแล้วก็ลงไปในคุ้แล้วก็ขาบขาบเสร็จมันขึ้นมาอย่างไรก็ไม่รู้ มันก็ขึ้นจากคู่แล้วก็ไตเชือกออกไปทีหลังเราัาก็ก็ต้องเอาขันครอบอีกทีเอาเชือกเอาคูผูกไวนะ้ตรงกลางลาวแล้วก็เอาขันครอบสบู่อีกทีมันก็ยังทำได้นะทีแรกก็ไม่เชื่อนะ ตอนหลังนี่เห็นได้ตัวเห็นได้ตาก็เห็นมันเห็นมันไต่เห็นมันไต่มันเชื่อแล้วมันก็ไต่ลงเชื่อไปถึงคูปมันก็ทํายังไงไม่รู้เปิดได้ขนาดเป็นถังเป็นคันสเตนเลสมันก็เปิดขันเอาแล้วก็คาบสบู่เห็นมันคาบออกมาไย แล้วก็กำลังตตย่อยู่ันเชื่อก็ดนะีก็เลยไล่มันเสียนะดายมันเราไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้จับถ่ายจับหรือว่าจับตาถ่ายด้วยกล้องก็คงทำไม่ได้เพราะไม่มีกล้องอยู่แล้วนะแต่เห็นเลยว่ามันมันฉลาดมากแล้วมันก็เรียนรู้ สัตว์มันมีความสามารถที่จะเรียนรู้ได้มันไม่เรียนรู้แค่ใช้สมองเรยแต่ว่ามันสามารถที่จะพัฒนามือพัฒนาขาให้สามารถไตบ่บนเชือกแล้วก็สามารถที่จะยกใช้มือยกขันขึ้นมาได้ก็ไม่รู้มันทำยังไงในการที่ว่าเอามือยกขันไปแล้วคับคาบสบู่โดยที่ขันนี่ไม่ไม่ตกลงมาปิดตัวมันหรือปิดตัวมันก็ได้แต่ว่ามันก็ อยูครอบตัวมันไว้แล้วก็นด้แต่มันก็ยังสามารถที่จะยกขขนขึ้นมาแล้วก็ปีนออกจากคุ่ขึ้นมาได้อันนี้คือความสามารถในการเรียนรู้ของสัตว์เพื่ออะไรก็เพื่อที่จะมีเพื่อที่จะเอาทำไมถึงต้องการมีต้องการเอาก็เพื่อความอยู่รอดสัตชัเตียงความอยู่รอดมัน มันมีบังคับให้ต้องศึกษาต้องเรียนรู้ต้องพัฒนาฉะั้นคนเราก็เหมือนกันก็มีสติปัญญาแล้วก็มีความสามารถที่จะเรียนรู้ได้ได้มากยิ่งกวสัตว์นี่ขนาดหนูซึ่งสมองมันนิดเดียวมันก็ยังเรียนรู้ได้มากมา ย, ยาคนเรานี่สามารถจะเรียนรู้โดยที่ไม่ต้องเข้าโรงเรียนเลยก็ได้ถ้าหากว่า เป็นไปเพื่อการเอาตัวรอดนะเพราะว่าการเรียนรู้ของคนเราเนี่ยมันก็ถ้าจเจ้าตัวรอดไดมก็ต้องเรียนรู้เพื่อที่จะมีเพื่อที่ได้เอาเนะช่นมีอาหารสะสมอาหารนะตอนหลังก็พัฒนาไปค่อนขางว่าในเรื่องการแพร์พันธุ์ก็ต้องมีต้องมีเมื้ต้องมีคู่ให้มันได้เยอะมีได้แพร่พันธุ์เยอะๆนะมีหมอนงีของตัวคูนะ่เป็นอย่างนั้น ทั้งหมดนี้เพื่อความอยู่รอดและต่อไปก็เพื่อแพร่พันธุ์แต่ทั้งหมดนี้ก็มีวิธีมีวิธีการอยู่อย่างเดียวคือว่ามีให้มากๆครอบครองให้ได้เยอะๆนั้นต้องเอากายเรียนรู้ในมเาเิทยไลักลารเรียนรู้ในโรงเรียนก็แต่ว่าไปทั้งหมดนี้ก็เพื่อที่จะมีเพื่อที่เอามาเยอะ แต่มันเป็นการเรียนรู้เพื่อความอยู่รอดทางกายทั้งสิ้นอยู่รอดทางกายไม่พอก็พออยู่รอดแล้วก็ต้องหาความสุขความสุขทางกายก็เป็นเรื่องการมีการได้การเอาแต่ว่าเวลามามาวัดมาปฏิบัติที่วัดหรือมาศึกษาในพุทธศาสนานี่มันมันเป็นตรงข้ามเลย ก็คือเราเรียนรู้ที่จะสละที่จะวางที่จะทิ้งนะเพราะว่าการวางการสละการทิ้งนี่มันเป็นมันช่วยทําให้เกิดความสุขอย่างแท้จริงคือเป็นความสุขทางใจจะเลืว่าทําเพื่อความอยู่รอดก็ได้แต่เป็นความอยู่รอดทางจิตวิญญาณไอนะ้อยู่รอดทางกายนี่ต้องมีมากๆนะแต่ว่าความอยู่รอดทางจิต มันต้องอาศัยการสละการทิ้งเพราะถ้าไม่สละไม่ทิ้งนี่บางทีมันจะกลายเป็นบ้าเอานะพวกที่คุ้มครั่งพวกที่เป็นจนถึเป็นบ้าเนี่ยก็เพราะว่าไม่รู้วิธีที่จะสละที่จะวาง บางทีมันเสียไปมันเสียไปแล้วแต่ว่าใจยังวางไม่ได้ใจยังวางไม่ได้ก็เลยเสียใจเศร้าโศกคุ้มครั่งจนเป็นบ้าวความอยู่รอดทางจิตใจนี่มันต้องมันก็มีวิธีเดียวนะที่เป็นวิธีหลักก็คือการรู้จักปล่อยรู้จักวางนะซึ่งมันทำไม่ได้เพราะว่าเราเราถูกฝึกมา แล้วก็สัญชตัตยานภายในสัญชาตยานที่มันถูกฝังมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกหรือตั้งแต่ยังเป็นยังเป็นตัวอ่อนหรือเป็นบุญอยู่ในท้องแม่คือต้องมีให้ได้เยอะมีให้ได้เยอะขนาดตัวทารกในครรภ์นเนี่ยมันก็เอาก็พยายามดูดพยายาม ซึมซับรับเอาสารอาหารจากแม่เวลาจะออกเวลาจะพรากจากแม่เนไม่ยอมเลยยังตรงยึดเอาไว้ยึดที่ึ่งยึดที่ยังยึดคันของแม่เอาไว้ไม่ยอมไม่ยอมออกนะเพราะนี่มุขสวนสักพยานคือยึดคือมีคือเอานี่คันมันถือว่าคันแม่นี่เป็ น, เ ป, นเป็นบ้านท้องแม่เป็นบ้านก็พยายามยึดเอาไว้ ถึงเวลาที่จะต้องออกแล้วเพราะตัวใหญ่ก็ไม่ยอมออกดิ้นรนต่อสูนะ้แต่ว่าคันของแม่ก็ต้องพยายามบีบคันให้ออกมาให้ได้เพราะไม่งั้นก็ตายตายกันทั้งแม่ทั้งลูกแต่ลูกนี่ไม่ยอมออกยังยึดเอาไว้ยังหวงไว้ว่าเป็นบ้านบ้านของกูบ้านของกูไม่ยอมออกนะแต่ต้องออกมาให้ได้อันนี้เราไม่ยอมปล่อยนะไม่ยอมปล่อยไม่ยอม แต่ว่าพอออกมาแล้วก็สัญชาตยานเดิมก็ยังทำงานือต้องมีต้องเอาแะนี่เป็นสัญชาตยาแต่มนุษย์โตมาเราก็ยังไม่ทิ้งตรงนี้แต่เราแต่เราก็บางทีก็ลืมไปว่าในเรื่องความอยู่รอดทางจิตนั้นเนี่ยหรือความสุขทางใจเนี่ยมันต้องอาศัยการปล่อยการวางอนที่เรามาบวช ที่เรามาปฏิบัติเนี่ยก็เพื่อที่จะทนะวนกระแสทวนกระแสสัญชตาตญาณเดิมที่มันจะเอาอยู่นั่นแหละเรามาเรียนรูปที่จะปล่อยที่จะวางนะเริ่มจากการปล่อยการวางในเรื่องวัตถุภายนอกก่อนนะเช่นมาวัดนี่เราก็ไม่ว่าจะมาชั่วคราวหรือมา มาถาวรไม่ว่าจะมาในรูปไหนนักปฏิบัติแม่ชีหรือว่าเป็นพระก็ต้องวางไอ้ของเดิมๆที่อยู่ที่บ้านก็อ mm hmm. าจจะวางทิ้งความสุดกสบายทางวัตถุ mm hmm. มาอยู่แบบง่ายๆและที่ชาวบ้านเข้ามาถือศีลแปด mm hmm. ก็เพื่อมาฝึกการวาง mm hmm. ฝึกการปล่อย yeah. ป ล, ปล่อยเรื่องความสะดวกสบายเคยกิน3ามื้อก็มากิน2อมือ้อเคยนอนฟูกก็มานอนเสือนอนพื้นนะ เ, คเคยเสด็คเคยบริโภคไอความบันเทิงเรืองลมดูหนังฟังเพลงก็มาวางจะที่วัดนะเคยเสด็คกามเสด็คเมทุนก็มาอยู่ไว้ก็เหยุดเสด็คจ้นะ ไอ้ความที่จะเอาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ก็มาวางสถิวัดนี่มันเริ่มต้นจากการปล่อยการวางในเรื่องภายนอกก่อนใจมันก็ยังดิ้นนะทีแรกใหม่ๆหม่ใจก็ดิ้นเพราะมันยังอยากได้อยากมีอยากเอาแต่ว่าชีวิตในวัดระเบียบในวัดกติกาในวัดรวมทั้งวินัยของพระก็จะ จะเรียกว่าอะไรจะบีบบังคับไกลๆก็ได้ให้เราปล่อยให้เราวางนะถึงแม้ใจยังไม่ยอมแต่ว่าก็ต้องทางกายทางวาจามต้องปล่อยไปก่อนแล้วต่อไปก็ค่อยเริ่มฝึกการปล่อยทางใจปล่อยที่ใจนะปล่อยที่ใจนาใช้การปฏิบัตินะอันนี้เราใหม่ๆเนี่ยมันก็ต้อง ใหม่ๆก็มาอยู่วัดก็อาจจะทุกข์โดยเพราะถ้ามามามาอยู่วัดด้วยความจําเป็นจํายอมนะก็มีคนที่มาวัดด้วยสาเหตุหลายอย่างมาวัดเพราะพระมาวัดเพระาพระมีความทุกข์ผักนั้นให้มาหรือมาวัดเพราะว่านะถูกขอร้องถูก บ, บังคับเช่นบางทีพ่อแม่ขอร้องให้มาบวชนะก็ ที่จริงก็ยังมีความหวงแหนอะไรในในชีวิตคารวะแต่ก็ต้องม า, มาเพื่อถือว่าเป็นการตอบแทนคุณพ่อแม่พ่อแม่ขอเล่าให้บวชตามประเพณีเราก็ต้องบวชอันนี้ก็เรียกว่าไม่ได้มาด้วยความทุกข์แต่เพราะฉะนั้นเมื่อมาเจอมาอยู่วัดก็เลยทุกขนะ์ถ้าไม่ได้มาด้วยความทุกข์นี่ถ้ามาอยู่วัดนี่ก็จะทุกข์เลยเนาะ เพราะว่าวัดนี้มันไม่มีความสุดกสบายอย่างอย่างในบ้านอันนี้มาถึงวัดอย่างวัดป่านี่นะจะเป็นวัดในเมืองหรือนี้มก็สะดวกสบายขึ้นเยอะแนละ้วมีโทรทัศน์มีสเตอริโอมีติดแอร์แต่ว่าถ้าเป็นวัดป่าที่นี่มันถ้าไม่ได้มาด้วยความทุกมาอยู่วัดก็จะทุก เพราะว่ามันไม่มีอย่างที่เคยมีแต่ถ้ามาด้วยความทุกข์นะพอมาอยู่วัดนะก็จะมีความสุขได้ไม่ยากเพราะว่ามันได้เห็นแล้วว่าโ อ, อ้ชีวิตคารวาชีวิตทางโลกเนี่ยที่มันต้องมีต้องเอาเยอะๆนี่มันทุกข์ยางไรบ้างนะคนที่มาวัดด้วยความทุกข์นี่ พอมาอยู่วัดนี่ก็จะหาความสุขได้ไม่ยากแล้วก็สามารถจะเกิดความฉลาดเกิดการเรียนรู้ได้ไวพรามันได้เห็นแล้วว่าการมีการเอาการยึดเอาไว้นี่มันทุกข์อย่างไรนะชีวิตทางโลกนี่มันวุ่นวายเพียงใดนะพอมาอยู่วัดแล้วโอ้มันสงบฮะก็ได้รู้ว่าโอ้ไอ้ความความสุขที่แท้คือความสงบนั่นเอง แต่ก่อนไม่เห็นนะแต่ก่อนก็ไปคิดว่าความประทึกคือโคมแสงสีมันคือความสุขนะแสงสีคือความสุขเพราะไปมองว่าความสนุกกับความสุขเป็นตัวเดียวกันบางคนเราถ้ายังไม่ยังไม่ทุกถึงขนาดนี่มันมองไม่เห็นนะนะว่าความสนุกกับความสุขนั้นมันคนละตัวคนละอัน แต่พอสนุกได้ถึงเต็มถึงที่สุดแล้วก็ยังพบ ว, ว่าไม่มีความสุขยังไม่มีความสุขอยู่นั่นแหละอย่างเจ้าชาสิทธัตถานี่ก็มีความสนุกนะมีความสนุกในปราสาทมีเพลงกล่อมมีอาหารน่ารับอร่อยมีการละเล่นนะมีการเที่ยวสำเริงสําราญแต่พบ ว, ว่าออสนุกเต็มที่แล้วมันก็ไม่สุขสักทีนะ ยิงมาเจอยิงมาเจอความจริงว่ายิ่งมาออกนอกออกจะออกนอกประสาทมาเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายที่ตัวงไม่เคยพบไม่เคยเห็นมาก่อนก็เกิดความเจงวนสงสัยขึ้นมาว่าชีวิตมันเป็นอย่างงี้เหรอเกิดความเกิดอุทายขึ้นมาจะว่าเอ๊ะชีวิตมันเป็นอย่างงี้เหรอไม่เคยรู้มาก่อน อันนี้ก็ยงให้เกิดความเกิดความสงสัยในชีวิตแบบทางโลกมากขึ้นแล้วคนเราถ้าถ้ามาเท่าสนุกถึงที่สุดแล้วก็จะพบว่ามันไม่ใช่ไอความสนุกกับความสุขมันไม่ใช่อันเดียวกันความสนุกไม่ใช่ความสุขเ่ถ้าถ้ามีความทุกข์แบบนี้แล้วก็เข้าวัด นะก็จะพบความสุขหรือเกิดปัญญาขึ้นมาว่าโอ้ที่แท้ความความสุขที่แท้คือความสงบนั่นเองมันก็มีบางคนที่ติดนี้ติดศีลมามีความทุกข์เพราะเป็นนี้เป็นศีลเลยต้องเข้าวัดไม่อยากเข้าวัดนะแต่ว่าความทุกข์มันบีท่านบางทีก็หนีนี่นมาพอมาอยู่วัด ทีแรกก็ไม่ได้ศรัทธาแต่พอมาอยู่วัดใหม่ๆก็ทุกข์พราะไม่ได้ตั้งใจไม่ได้อยากจะมาแต่ความจําเป็นแต่พอมีอยู่วัดได้อาทิตย์สองอาทิตย์ก็ก็กับซาบซึง้งซึมซาบนะเพราะว่ามันไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายอย่างทางโลกคนระาวนี้ก็เริ่มดูแล้ว นะความสงบมันคือความสุขนะเกิดการเรียนรู้ขึ้นมาเนะมื่อวานนี้ก็มีโยมนะก็มาหาโยมที่เป็นเรียกว่าอะไรเป็นเป็นท้าบาดีก็ไดนะ้เป็นคนมียนจะกินนะที่แก้งค้อก็เขาก็เล่าว่าที่มาวัดก็เพราะความทุกข์นะ ใ้ความทุกข์มันผลักให้ต้องมาวัดแต่มาวัดแล้วก็เกิดปัญญาขึ้นมาเข้าใจว่าความสุขจริงๆที่ชีวิตต้องการนี่มันคืออะไรเขาบอกตอนนั้นทุกข์มากก่อนจะมาวัดพอมาวัดแล้วก็รู้ลูกชายถามว่าถ้าแม่ย้อนกลับไปเป็นอย่าง ตอนก่อนจะมาวัานี่แม่จะทุกเหมือนกับแนดีิดไหมแม่ก็บอกแม่ไม่ทุกหรอกถ้าย้อนกลับไปแล้วไปเจอเหตุการณ์นั้นก็ะจะไม่ทุบอีกแล้วพ่ออะไรก็เพราะว่าไอ้ตอนทุกนี่พ่อยังไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางจะเป็นเรื่องหนีสินก็ดีจะเป็นเรื่องทรัพย์สมบัติก็ดีอันนงยึดอยู่บางที นอกตัวของนอกตัวหลุดไปแล้วหายไปแล้วสูญไปแล้วแต่ใจมยงยึดอยู่มันยังไม่ยอมปล่อยมันก็เลยทุกข์ไงเพรใจไม่ยอมรับความสูญเสียไม่ยอมรับความพัดเปล่ไม่ยอมรับความเป็นจริงแต่ตอนนี้ใจนี้เรียนรู้วิธีการปล่อยการวางรู้จักปล่อยรู้จักวางออกไปจากใจยังกลับไปอยู่กลับไปบ้านยังทํามาหากินอยู่แต่ว่า ก็รู้แล้วนะก็รู้แล้วว่าจะต้องปล่อยจะต้องวางอย่างไรหรือรู้ว่าอย่าไปยึดจะไปอย่าไปยึ ด, ยยดจะไปถือมั่นกับมันมากยังมีทรัพย์สมบัติอยู่แต่ก็เริ่มปล่อยเริ่มวางแล้วเริ่มปล่อ ย, เ ร, อยเริ่มวางที่ใจมันจะสูญเสียไปบ้างมันจะหายไปบ้างก็ทำใจได้ เนี่ยการมาปฏิบัตินะการมาปฏิบัติที่วัดทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะมาถวายทานถวายอาหารกับพระไม่ว่าจะเป็นการรักษาศีลศีล5ศีล8หรือศีลหรือว่าการภาวนาก็คือการเรียนรู้ที่จะปล่อยที่จะสลับที่จะวาง มันเป็นขั้นเป็นตอนที่แรกก็สลัดหรือวางหรือปล่อยหรือให้ของนอกกายก่อนถวายอาหารพระถวายเงินพระนี่ก็เป็นการปล่อยการสละหรือสลัดของนอกกายที่เป็นวัตถุที่เป็นเงินทองทรัพย์สมบัติต่อไปก็เริ่มสลัดเริ่มวางไอความสะดวกสบาย ทางกายเช่นมาถือศีลแปดนี่ก็เป็นการปล่อยการวางความสุดกสบายทางกายหรือว่าสลัดความเห็นแต่ตัวนึกถึงแต่ตัวเองคนเราถ้านึกถึงแต่ตัวเองแล้วมันไม่มีศีลนั่นคนเราถ้านนึกถึงแต่ตัวเองมากๆนี่มันไม่มีศีล น, นมันคิดแต่จะเอาคิดแต่จะโกงคิดแต่จะเอาเปรียดยทำร้ายกันก็เพราะความเห็นแต่ตัว ทุบตีกันก็เพราะว่าลูกแก่อารมณ์โกรธโมโหก็ทุบตีกันฆ่ากันมันลูกแกอ่อารมณ์อารมณ์หยาบๆความโกรธอยากจะทําร้ายความเกลียดความความหน้า ม, มืดตามมัวก็ไปไปมีชู้ไปประพฤติผิดในกามไปแย่งลูกแย่งเมียเขาอันนี้มัน คือกิเลสย่างหยาดนะก็ต้องสลัดออกไปใมแม้จะสลดไม่ได้ก็ต้องก็ต้องควบคุมกายวาจาไว้ใจมันก็ยังหื่นกระหายใจมันยังโลภอยู่ใจมันยังโกรธอยู่อยากไปทำร้ายเขาอยากไปขโมยเขาอยากจะไปพร า, า, ากรูกพากเมียงเขาแต่ก็ยังคุมไว้ได้ อันนี้เรือเป็นเป็นเป็นเพราะศีลนะศีลนี่คุมกายวาจาอยากจะโกหกอยากจะด่าก็คุมเอาไว้มบางทียังละไม่ได้แต่ทำทาไปนานๆ ก, ก็ค่อยช่วยค่อยๆละนะพอมีพอมีพอมีศีล ม, ม, มาคอยควบคุมกายวาจาไว้ทีแรกความกิเลสภายในใจมันยังไม่หายมันยังพุ่งพล่านแต่ว่าพอควบคุมกายวาจาไว้ไม่ให้ทำตามกิเลส ไอ้กิเลส็ค่อยเบาบางลงไปเพราะว่าถ้าไม่ได้ทำตามมันมีความโกรธแต่ไม่ทำตามความโกรธหรือความกุ่นก็ดับไปเองมีความอยากแต่ไม่ทำตามความอยากาไม่ช้าไม่นานความอยากก็ดับไปเองแต่ถ้าดับไม่ได้นี่ก็ก็ทุกนะก็บ้าบ้าได้ง่ายๆหรือคุ้มครั้งได้ง่าย แต่คนเรามันมีปัญญามันก็รู้อ่ะรู้นะว่าถ้าปล่อยให้กิเลสรุ่งพล่านใจมันก็จะเป็นทุกข์คนเราก็มีปัญญาที่จะหาทางหลุดทางลอดทางหาทางหลุดทางลอดทางจิตเหมือนกันจิตมันร้อนจิตมันมันทุกข์ก็ยังมีปัญญาทางทำให้จิตสงบได้ ก็จะเรีู้ไปเองว่าโอ้มันต้องละต้องวางความโกรธต้องละต้องวางความความอยากเพราะว่าจะทําตามความอยากไม่ได้บ้านเมืองแม่อนุญาตให้ทําตามความอยากได้สังคมไม่อนุญาตให้ทําตามความอยากได้จะไปขโมยจะไปชํำเราใครมันทำไม่ได้ต้องรู้วิธีที่จะต้องลดละความอยากความต้องการหรือกิเลสภายใน นี่คนเราเรียนรู้ได้ฉลาดแต่ว่าใช้เวลาแต่ถ้ามาอยู่วัดนะวิธีมันก็จะรู้วิธีที่จะลดจร ะ, ะได้ง่ายขึ้นได้เร็วขึ้นก็คืออะไรก็คือการทำสมาธิภาวนาอันทีแรกก็อาจจะทำความสงบด้วยการนั่งสมาธิก่อนนั่งทำใจให้สงบไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรทั้งสิ้นไม่ไป ไม่ไปเปิดไม่เอาตาไปรู้ดูสิ่งต่างๆที่มายัออย่วยุใจเช่นดูข่าวหรือว่าดูหนังดูแสงสีหรือควบคุมหูไม่ให้ไปฟังไอ้สิ่งที่มากระตุ้นการมารมกระตุ้นความอยากหรือกระตุ้นความโกรธโอ้โหนี่ถ้าฟังอย่างฟังวิทยุ เอาตาไปดูโทรทัศน์มากๆนี่มันก็จะกระตุ้นความโลภความโกรธความหลงก็คุมตาคุมหูซะมาอยู่วัดก็ไม่ต้องดูมาอยู่กันอย่างง่ายๆชีวิตก็ไม่ไปยุ่งเยิงไม่ไปไม่ไปเที่ยวเตระวุ่นวายมากอยู่บ้านนี่มันเที่ยวเตะง่ายๆมันก็วุ่นไวายได้ง่ายอยู่นี่ก็อยู่แต่ อยู่แต่กุฏิกับสาลาถึงเวลาก็ออกไปวินทบาทออกไปนอกวัดก็ไปรับรู้อะไรต่างๆ ม, มานิดนิดหน่อยหน่อยไม่ต้องไปนั่งแช่ให้มันทุกข์ใจกลับมาก็มาทำภาวนาเอาใจอยู่กับอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนกระทั่งมันนิ่งไปได้อันนี้เรียกว่าสมาธิ เอาใจไปอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้มันสงบนี่เรียกว่าสมาธิและสมถะความสงบสงบเพราะว่าใจมันนิ่งแล่มันนิ่งเพราะว่าคุมกายวาจาแล้วก็คุมใจเดี๋ยไม่ให้ไปแส่ใส่คุมคุมกายคุมใจไม่ให้ไปวุ่นวายจิตมันก็จะสงบได้ถ้ารู้วิธีการ คุมจิตด้วยนี่เราสมถะพอได้ความสงบแล้วก็จะก็จะได้รู้แล้วอไอ้ความสนุกมันไม่ใช่ความสุขนะความสงบต่างหากเป็นความสุขแต่ความสงบทีแรกก็เกิดจากการที่ไม่ไปรับรู้อะไรไม่ไปเห็นไม่ไปได้ยินไม่ไปทำโน่นทำนี่มันก็สงบได้ง่ายแต่ต่อไปต้องเรียนรู้ที่จะสงบถึงแม้เห็นถึงไม่ได้ยิน ถึงแม้ทำานวนทำนี่ก็ยังสงบได้อันนี้เราต้องอาศัยสติแล้วมีสติเข้าไปรู้กายรู้ใจ ใ, ใจมันฟุ้งซ่านก็รู้วางได้ใจมันโกรธใจมันโมโหก็รู้แล้วก็วางได้รู้แล้วมันวางได้เองอันนี้แหละเป็นวิธีการฝึกเป็นเรียนรู้วิธีการปล่อยการวางออกไปจากใจ ทีละอย่างทีละอย่างไอความฟุ้งซ่างก็ปล่อยได้วางได้ความกลัวก็ปล่อยได้วางได้แต่มันยังมีตัวหนึ่งที่ยังวางไม่ได้คือความยึดติดความยึดติดตัวตนความยึดติดถือมาในตัวตนอันนี้จะวางได้ต้องใช้ปัญญานะทําสมาธิเจริญสติแล้วมันยังไม่พอต้องเจริญปัญญาจงกระทั่งเห็นแล้วว่ามันไม่มีตัวกูของกู ที่จะให้ยึดมั่นได้กายก็ไม่ใช่เราใจก็ไม่ใช่กายก็ไม่ใช่ตัวกูใจก็ไม่ใช่ตัวกูมันก็เห็นไปเรื่อยๆเห็นแล้วมก็วางได้แต่ก่อนก็ยั ง, ย, งยึดว่าเป็นเราเป็นของเรายึดว่ามันสุกได้ยึดว่ามันเที่ยงไปยึด ไปคิดว่ามันเที่ยงไปคิดว่ามันสุกไปคิดว่ามันเป็นเราเป็นของเราแต่พอเจริญพอมีปัญญาเข้าไปพอมีสติเอาสติเข้าไปดูกายดูใจมันก็เกิดปัญญาขึ้นในที่สุดว่ามันมันยึดอะไรไม่ได้เลยยึดให้เที่ยงก็ไม่ได้ยึดให้เป็นสุกก็ไม่ได้ยึดให้เป็นตัวเราก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่ได้ตอนนี้มันก็วางเลยวางอย่างสิ้นเชิงวางตัวกูของกูหรือวางความยึดมั่นในตัวกูของกูก็ หมดทุกข์ครนี้แล น, นี่เละคือความอยู่ลอดทางจิตใจที่สุดยอดที่สุดเป็นการปล่อยวางตัวที่เป็นการปล่อยวางตัวการที่ทำให้ทุกข์ก็คือความยึดติดในอัตตายึดติดตัวตน เดี๋ยวที่เราปล่อยวางตัวตนก็ได้พูดง่ายๆนะปล่อยวางตัวตนไปได้แต่จริงตัวตนมันไม่มีแต่แล้วไม่มีอะไรต้องปล่อยหรอกแต่ว่าความโง่เราไปยึดไปปรุงว่ามันมีมันก็ไปปรุงว่ามีผีอ่ะผีไม่มีไปปรุงว่า ม, ม, มันมีผีแล้วไปยึดมันมีผีก็เลยกลัวกลัวสิ่งที่สิ่งที่ปรุงขึ้นมาในใจแต่ว่าตัวตนนี่มันไม่กลัวมันหวงแหนมันหวงแหน มันหวงแหนไว้มันก็เลยก็เลยเป็นทุกข์เพราะความหวงแหนนั้นมันก็เขาให้กล่องมาชั้กล่องหนึ่งนะเป็นกล่องที่เขาบอกว่าข้างในนีมีทองมีเพชรพล้ยเราก็หวงแหนกล่องนั้นใครจะมาแตะมาต้องไม่ได้เวลาเก็บไว้ใต้เตียงก็เป็นทุกข์กลัวคนจะขโมย ของในกล่องนั้นของในเห็ดนัว่ามันเป็นของแพงของมีราคาแต่สักวันหนึ่งเมื่อเราเปิดมาได้แต่ก่อนเปิดไม่ได้แต่พอเปิดไม่ได้เพราะว่าในกล่องไม่มีอะไรเลยว่างเปล่าก็เลยไม่หวงแหนแล้วก็โง่ไปต้องนานว่าไปยึดมันเป็นไปหลงว่ามันเป็นของมีค่ามีราคาอยู่ร้อนนอนทุกข์ก็เพราะมัน ใครจะมาแตะใครจะมาต้องก็โมโหก็โกรธกลัวจะแย่งเอาไปแต่สุดท้ายพบว่าข้างในไม่มีอะไรเลยมันก็ยังไงมันก็เลิกยึดนั่นเลยเลิกหวงแหนอันนี้ก็นอนก็เป็นสุขแล้วอยู่เย็นเป็นสุขนะนอนก็นอนสบายไม่ต้องกลัวใครมาขโมยขโมยก็ขโมยเลยกลไูไม่หวงไม่หแหนแล้วเนี่ยนี่มันเป็นอย่างนั้น ปล่อยวางได้งั้นเรามาปฏิบัติเนี่ยก็ลองฝึกดูนะมันมันทุกข์สหน่อยใหม่ๆก็ทุกข์เพราะว่าวัดเพราะว่ามันชื่นในวันนี้ก็เน้นเรื่องการปล่อยการวางการสละการลดการละการเลิกอยู่ในโลกอยู่ในบ้านมันถูกสอนให้มี้ให้เอาให้ให้ครอบครองให้ตักตวงเยอะๆพอมาอีก อยู่ที่วันนี้มันมันอยู่อีกโลกหนึ่งที่เขาบอกให้ปล่อยให้ว่ามันทําใจไม่ได้ใจมันยังเสรจติดของเดิมอยู่แต่เดี๋ยวก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วใจมันชอบพอไปพอวางจะรู้ว่าอใจมันรออยากมีอยากอยา ก, อยากเจอแบบนี้มานานแล้วพอวางแล้วมันสบายวางแล้วมันโปร่งมันเบาแล้วต้องอดทนให้ใจได้เรียนรู้อทีละน้อยทีละน้อย แล้เราก็พะสมควรกับเลวลากรบพัะ